เราฝึกเอานั่งภาวนาเราก็ฝึกเอาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฝึกถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ชำนิชำนานการตั้งใจฝึกนั่นแหละมันจะเป็นเหตุทําให้เราชำนิชำนาญทําไมเราต้องฝึกจิตเรานี่มันต้องฝึก เพาะจิตเรานี่เราปล่อยอิยสระความอิสระของจิตเรานั้นนะ่ะมันเป็นไปตามพลังของกิเลสกิเลสมันชอบแสดงอะไรตามใจชอบของมันเจอสิ่งรักมันก็รักรักรักรักมีอะไรมาขัดคอมันก็ชังชังชังชังชั ง, ชงเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกียกโกรธโกโรธโกโรธโกรธ อาคาดพยาบบาทจองเวรจองภัยจองบาปจองกรรมนั่นน่ะพลังของกิเลสในใจนั่นแหละมันแสดงออกมาถ้าเราไม่ฝึกมันเนี่ยกิเลสมันก็ครองใจเราตลอดกิเลสเป็นมนทินของใจกิเลสครองใจก็คือกิเลส เ, เต็มไปอยู่แปร่เต็มแปร่อยู่ในหัวใจกิเลสเกาะอยู่ในหัวใจของใคร มือใจดวงนั้นนี่มืดตึ๊บไม่มีความสว่างสวยไม่มีความปลอดโปร่งไม่มีความเบา อ, อกเบาใจไม่มีความสุขหละไม่มีความเช่มชื่นเบิกบานแมันจะเช่มชื่นเบิกบานได้ยังไงอ่ามันเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็ราคะมันพลิกไปอีกอย่างหนึ่งก็โทสะมันพลิกไปอีกอย่างหนึ่งกับโมหะ ราคะความรักใคร่ความกำหนัดความยินดีเมื่อจิตมีความรักใคร่มีความกำหนัดมีความยินดีแล้วจิตก็แสวงหาแสวงหาดิ้นรนหาควายคว้าหาในระหว่างที่หานั่นแหละนั่นแหละคือทุกข์แล้วละหาได้ง่ายกว่าทุกข์หาได้ยากกว่ทุกข์ หาได้ช้าก็ทุกข์หาได้เร็วก็วทุกข์เพราะมาสนองทุกข์ความอยากนั่นแหละเป็นกิริยาของทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากความอยากของจิตนั่นแหละคือตัวตัณหาจิตมันอยากยังไงเราดูออกไหมจิตของเราทุกคนมันอยากมันมีความอยากพิษสงของกิเลสนั่นแหละ คือความอยากที่มาแสดงออกมาในหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราเกิดราคะเกิดตัณหาเพราะตัณหาน่ะมันเป็นเป็นเหตุให้เกิดราคะเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดโทสะเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดโมหะตัณหามันเกิดขึ้นจากอะไรตัณหามันเกิดขึ้นจากอะไร ตันหามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตของเราเรามีจิตด้วยกันทุกคนคนละดวงละดวงละดวงตันหามันเกิดมาพร้อมกับจิตนี่แหละเกิดมาตั้งแต่กับกันบรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ว่าแต่เราบัติขึ้นมาแล้วเรามีจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีตันหเกิดขึ้นมาด้วยเลยมันลผลิตผลเป็นผลธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมา เป็นเหตุว่าเราได้จิตเราได้าธาตุรู้เราได้ผู้รู้มาด้วยกันทุกคนแต่ผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ก็คือมัน ป, เป น, นเปื้อนมันแปดเปื้อนมากับกิเลสตัวนี้แหละพระเจ้าท่านจริงทรงตรัสว่าอาวิชชาอาวิชช า, าเบื้องต้นเบื้องต้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ไม่ปรากฏ อวิชชาเบื้องต้นไม่ปรากฏเบื้องปลายปรากฏไหมอวิชชาเบื้องปลายปรากฏต่อเมื่อนุ่นแหละอรหัตมรักนั่นแหละเพื่อที่จะกล้าไปสู่อรหัตผลอวิชชาก็หมดไปจาก ห, หัวใจอวิชชาตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในจิตซึมอยู่ในจิตของเรา ทำให้จิตของเราเศร้าหมองแสดงกิริยาออกมาให้รักบ้างอาวิชชากับตัณหากันเดียวกันอวิชชากับโทสะกันเดียวกันอวิชชากับโมหะกันเดียวกันความหลองอิจฉาทิษยาอะไรอะไรก็บอันเดียวกันกับอวิชชาคือโมหะ ก, ก็เพราะมันไม่รู้นั่นแหละเพราะอาวิชชาเพราะมันไม่รู้มันจึงเป็นเหตุให้เกิดราคะ มันไม่รู้โดยหลักธรรมชาติมันไม่รู้โดยคุณธรรมไม่รู้โดยลักษณะของธรรมเป็นเหตุให้เกิดราคะเพราะความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดโทสะถ้าเรารู้ทันภายในจิตของเราราคะจะไม่เกิดที่จเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันโดยเหตุที่เราไม่รู้เท่าเราไม่รู้ทัน พอตาเห็นรูปปั๊บความนึกคิดปั๊บปั๊บปั๊บ ป, ป, ป, ป, ป, ปน่าเกิดราคะ เ, เกิดกำนัดเกิดยินดีเกิดพอใจเกิดเพิงใจมันไม่มีมันไม่มีตัวรู้ไม่มีผู้รู้แต่ถ้ามีผู้รู้กํากับมีสติกํากับมีสัมปชัญญะกํากับมีผู้รู้กํากับหมายความว่าจิตตรงนั้นเนี่ยโร่ไปด้วยไปด้วยวิชา จิตตรงนั้นเนี่ยเป็นจิตที่สว่างสวยโรคไปโดยวิชาราคะก็เกิดไม่ได้วิชาถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับความสว่างความสว่างมีอยู่ในที่ใดอสรพิษมักจะไม่ค่อยอยู่ในที่นั้นความมืดมืดทึบทึบอยู่ในที่ใดอสรพิษมันมักจะแฝงตัวอยู่ในที่นั้น ความมืดทึบในหัวใจของเรากิเลสมันแฝงตัวอยูอ่แต่ถ้าจิตเราโโปรไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะประกอบความภาคความเปียนมีสติดีมีสัมปชัญญะ ด, มมะดีมีปัญญาดีมีความรู้เท่ารู้ทันดีสรุปลงแล้วก็คือมีวิชาดีมีวิชา ด, ชาดีความโลภ ก, ก็เกิดไม่ได้ความโกรธก็เกิดไม่ได้ อวิชากับความหลงกับความมืดนี่มันอันเดียวกันความหลงก็คือจิตหลงอวิชาคือความไม่รู้ก็คือจิตไม่รู้คือมันไม่รู้ทันรู้ไม่ทันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันคำว่ารู้ไม่ทันนี่หมายถึงไม่ทันอะไรไม่ทันกิเลสนะพู้พลาดมันออกไปก่อนละผูดพราดมันออกไปก่อนรู้ไม่เท่ารู้ไม่เท่ากิเลสไม่ทันมัน รู้ไม่ทันมันรู้ไม่เท่ามันด้วยเหตุที่เรารู้ไม่เท่ามันเรารู้ไม่ทันมันพรวดพราดมันก็ออกก่อนแล้วอวิชชาออกก่อนแล้วพรวดพราดอวิชชาออกก่อนแล้วอวิชชาออกก็คือตัญหาออกตันหากับกิเลสกันเดียวกันตันหากับราคะกับโทสะกับโมหกันเดียวกันกิเลสตัญหาอาสวะมานทิธิอวิชฌานอันเดียวกัน ตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็คือสรุปรวบยอดรวบยอดรวมยอดของมันก็คือตัวอวิชชาความโง่ของจิตความโง่ของใจปัญญาเราไม่ทันปัญญาเราไม่เท่าในเมื่อความในเมื่อปัญญาเราไม่ทันนะในเมื่อวิชชาเราไม่ทันอวิชชามันก็ครอบกิเลสแสงนานละ เรารู้ไม่ทันมันสติไม่ทันมันปัญญาไม่ทันมันสมาธิเพราะสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาไม่ดีความอดความทนไม่ดีฮิริโอตปะไม่ดีความตื่นเนื้อตื่นตัวไม่ดีเพราะเราไม่รู้เท่าทันมันมีแต่ความมืดมักกลิ้ม บทมาบางในหัวใจของเราอันนี้เป็นหลักธรรมชาติมีดังมาดั่งเดิมด้วยกันทุกคนใครจะมีอวิชชามากใครจะมีอวิชชาน้อยใครจะมีโมหามากใครจะมีโมหะน้อยย่อมผ่านการฝึกฝนอบรมมาด้วยกันคนที่มามีอวิชชาน้อยคนที่มีโมหะน้อยคนที่มีปัญญาดีมีสติดีมีสัมมชัญญะดีเพราะเคยฝึกฝนอบรมมาแล้ว แต่เบื้องต้นเราได้มาเหมือนกันได้มาด้วยกันได้มาธาตุเราได้มาพร้อมกับกิริสได้มาด้วยอ่ามันก็คลุกครีตีมองอยู่กับโลกนี้ไม่รู้กี่กับกี่กันโพเดชาตเราก็ทราบไม่ได้เรารู้ไม่ได้เราทราบไม่ได้แต่ถ้าหากเราไม่เคยพบเคยเจอพุโทโธธรรมโมสังโฆด้วยข้อประพฤติด้วยข้อปฏิบัติแม้แค่ฝึกให้จิตได้รับความสงบ ได้ฌานได้ฌานสมบัติตามแบบของฤาษีชีไพรเออยของลัทธินอกศาสนาเออยลัทธินอกศาสนาเขาก็มีสมาธิมั่งกันนะเขาก็มีสมาธิมั่งกันฤาษีชีไพรก็คือลัทธินอกศาสนาเนอ่ยพอเวลามาประพฤติมาปฏิบัติบุญญาบารมีแก่กล้ามันก็มาบำเพ็ญมาบำเพ็ญแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรม เก็เริ่มเหตุเริ่มผลเริ่มต้นต่อมาจากนั้นแหละเหมือนกับอุทกดาบท阿 า, าระดาบทนั่นแหละเป็นฤาษีเนี่ยบำเพ็ญอยู่ในป่าด้วยเหตุที่ว่ามาเห็นว่าเออเราเนี่ยได้รับความทุกข์ทุกข์เพราะจิตมันนึกมันคิดมันดิ้นมันรนในสุดก็เลยมาระงับความนึกความคิดความดิ้นความมรนความดิ้นรนของจิต แท้ที่จริงจิตนี้มันอยู่สงบงบเงียบไม่ได้มันถูกดิ้นถูกรนดุถูกทะเยอทะยานเพราะมันมีพลังตันหาอยู่ในนั้นพลังตันหาคือพลังของความอยากเราดูออกไหมเราดูไปที่จิตของเราคือความอยากมันกระดุกกระดิกพลิกแพ ล, ลงออกมาทีไรเมื่อไรตอนไหนนั่นแหละคือความอยากมันแสดงออกมา มันอยู่ในหัวใจของเราแล้วย้อนมาที่หัวใจของเราเราจะเห็นเราเห็นความอยากหัดดูให้มันเห็นหัดดูให้มันเห็นความอยากทีแรกเราก็ไม่ค่อยทันมันหรอกตาเห็นรูปความอยากมันแสงหน้าไปก่อนแล้วเกิดราคะเกิดทันหาอหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงมันแสงเข้าไปก่อนแหละความอยากมันแสงก่อนไปแล้ว มันรวดเร็วพรวดพราดไม่มีสติไม่มีสมปัจญัยอยู่กับเนื้อกับตัวล่ะเพราะเราไม่ทันมันที่วัดเรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันเราก็กันไม่ได้เราก็แก้ไม่ได้รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันเราก็กันไม่ได้เราก็แก้ไม่ได้ตัณหาเกิดนะตัณหาเกิดมันชวนเคลิบในหัวใจเราเนะเพราะรสชาติของตัณหามันอริดอร่อยในหัวใจ ตัญหาของหัวใจของเพศใดของภาวะใดเหมือนกันหมดเวลามันย้อมไปที่จิตเนี่ยมันจะได้รับความเร่าร้อนเหมือนกันหมดแต่ด้วยเหตุที่เราติดสิ่งเหล่านี้เราว่านั่นแหละคือรสชาติของความสุขเราก็ติดใจในรสชาติของความสุขความสุขในรสชาติของตัญหา มันก็มีพลังพอๆที่จะมันทำให้คนเนี่ยติดค้างอยู่ในโลกหัวใจของคนทุกดวงติดค้างอยู่ในโลกมันมีสิ่งนี้แหละเป็นยางเหนียวนะเป็นกาวเหนียวเหนียวเป็นยางเหนียวเหนียวเป็นรสชาติอันอร็ดอร่อยมัดจิตมัดใจของสัตว์ให้ตกค้างอยู่ในโลกคือเจ้าความอยากนี่แหละ อย่างที่ท่านเรียกว่ากามสุกการมสุในมนุษย์โลกของเราคือการมสุขที่เราปล่อยใหจิตของเราเพลินไปกับรูปเพลินไปกับเสียงเพลินไปกับกลิน่นกับรสกับสัมผัสเนี่ยกามมสุขในโลกกามมสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือกามมสุขบนสวรรค์บนสวรรค์นะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นใดก็ตาม ไปสวยกามัสุขอยู่บนนั้นแต่กามัสุขบนสวรรค์ก็ไม่เท่ากันนะชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ความสุขจะไม่เท่ากันเป็นไปตามเป็นไปตามพลังของจิตที่ฝึกฝนอบรมได้นั่นแหละคือคือกามัสุขเต็มแพรอยู่บนสวรรค์ เพราะฉะนั้นบนสวรรค์นี่เขาอยู่ด้วยความเพลินเพลินไปกับกามที่เรียกว่ากามสุกกามสุขรูปก็เป็นรูปทิพย์เสียงก็เป็นเสียงทิพย์คำว่าทิพย์ก็คือสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดะถ้าเป็นอาหารก็โอย้ยิ่งกว่ารสชาติของชูรสอีกอยิ่งกว่ารสชาติของชูรสปรุงไปโอ้ถูกลิ้นถูกลิ้นถูกปากถูกอะไรใส่มันก้โยเอาโกยเอาโกยเอ า, เอาจิตใจเต็มแพร่ ชุ่มช้ำ ด, ด, ดูดืมอยู่ในนั้นนั่นแต่เรียกว่ากามสุขกามสุขกามสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็อยู่บนสวรรค์นั่นแหละใครติดในกามอยากสมบูรณ์ด้วยกามสุขพยายามบําเพ็ญให้ได้เป็นเทวดาจะไปเสวยกามอยู่บนสวรรค์แต่ถ้าพระเราปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นเทวดาเนี่ยท่านว่าเป็นเทวปุตตมาน การตั้งใจปรารถนาเพื่อไปเปิดไปเกิดเป็นเทวดาท้าเรียกว่าเทวปุตรตมานเพราะอะไรเพราะเทวดามันมาขวางเราไว้แทนที่จะได้อัดได้ทําได้มักได้ผลมันไม่ได้กลายเป็นการทำความภาคความเพียรปรารถนาเพื่อได้เกิดเป็นเทวดาแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นภพภูมที่เราจะต้องไปเสวยกรรมถ้าเราเก้าวไปไม่พ้น ถ้าหากเราเก้าวไปไม่พ้นเราก็ต้องตกใส่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากเราเก้าวไปไม่พ้นเราก็ต้องไปเกิดในภพภูมิเหล่านั้นเพราะภพภูมิเหล่านั้นแหละคือพื้นเพจริตนิสัยที่เราฝึกพ้นอบรมได้เทวดาบุญสวรรค์สวรสวรค์ชันจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรินิมิตตวสวดีชั้นพร้ม ไปดูพรมพรมสิบชั้นอ่ะไปดูไปอ่านดูพรมพรมมาปริสัจจาพระมปปรโหิตามหาพระมาไปดูวะพรมไปดูในธรรมจักรท่านเอาชั้นพรมต่างๆมาสวดไปอ่านดูสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปตาม เปลี่ยนไปตามภพภูมิของจิตเปลี่ยนไปตามพื้นเพของจิตเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของจิตอเราจะเป็นสวรค์ได้สวรรค์ชั้นใดก็ตามชั้นสวรรค์หกชั้นชั้นสวรรค์พรหมโลกสิบหกชั้นก็ตามแต่ถ้าเรายัางไม่ได้อริยธรรมเราก็สับสนปนเปกันอยู่ในภพชาติเหล่านั้นเสื่อม หมดสภาพจากชั้นนั้นก็ตกลงมาชั้นนี้หมดสภาพจากชั้นนี้ก็ตกลงไปชั้นนั้นหมดจากสภาพบนสวรรค์ก็ตกมาเป็นบนมนุษย์โลกเสื่อมสภาพจากมนุษย์โลกนู่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเสื่อมตากว่าสัตว์เดรัจฉานไปอีกนู่นไปเป็นอเวจีสัตว์นรกนี่พบภูมิของคนของสัตว์สับเปลี่ยนปนปนปนเปกันอยู่นี่แหลไม่จบไม่สิน้น อันสืบเนื่องจากผลิตผลของจิตอันสืบเนื่องจากผลิตผลของตันหาภายในจิตนี่แหละอันสืบเนื่องมาจากความอยากภายในจิตนี่แหละอันนี้แหละคือตัวยางเหนียวอันนี้อันนี้แหละคือยอดอ่อนของพืชตันหาตัวนี้แหละเป็นตัวยอดของพืชเป็นตัวยอดอ่อนของพืชเป็นตัวยางเหนียวของพืชอพืชตัวนี้มันจะไปเกิดตาม มันจะไปเกิดตามกรรมกรรมเป็นเนื้อนากรรมเป็นดินกรรมเป็นดินตันหาเป็นพืชกรรมเป็นดินกรรมเป็นดินตันหาเป็นพืชเป็นยางเหนียวของพืชกร ร, นนกรรมเป็นเนื้อนากรรมเป็นเนื้อนา วิญญาณคือจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนพืชตันหาที่มีอยู่ภายในจิตเนี่ยเหมือนยางเหนียวของพืชเขามายางเหนียวก็คือยอดอ่อนของพืชนั่นแหละถ้าเป็นมเมล็ดพืชคือเป็นมเมล็ดพืชที่ยังสมบูรณ์ได้อุณหภูมิดีได้ดินดีได้น้ําดีได้อุณหภูมิความอบอุ่นดีพร้อมที่จะพร้อมที่จะแทงยอดอ่อนออกมาเหมือนยอด ของพืชยอดยอดเหมือนยอดอ่อนของมะม่วงนเน่ยมะม่วงมันมันถูกแดดเผาเออมันถูกความชื้นเออะไร อ, อะไรเอยมันก็แทงยอดอ่อนออกมาจากเมล็ดมันจากเมล็ดจากเมล็ดของมันในจิตของคนเรานั้นท่านจึงเปรียบว่ากรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณคือจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนพืช วิญญาณคือจิตเป็นเหมือนพืชตัณหาภายในจิตเหมือนยอดอ่อนของพืชพืชนั้นๆจะไปเจริญงอกเงยเจริญงอกงามพืชเหล่านั้นจะต้องมียอดอ่อนยางเหนียวภในหัวใจของเราคือตัณหานี่แหละเป็นยอดอ่อนของพืชตราบใดที่พืชนั้นหมดยางเหนียวหมดยอดอ่อนพืชเหล่านั้นก็เป็นพืชที่ ความเจริญงาะเงยเจริญเงาะงามถ้าเป็นมัมม่วงกับเหมือนมัมม่วงเม็ดมันเหน่าแล้วนะเม็ดมันด้านแล้วมันไม่ออกแล้วถึงจะไปอยู่ในดินดีอากาศดีปอบปุ่นดีเย็นดีขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่มีอะไรเจริญงาะเงยเจริญเงาะงามขึ้นมาจิตของเราที่มันไปโผล่ที่นู่นบ้างไปโผล่ที่นี่บ้างเหมือนกับเมล็ดพืชมันถูกลมปลิวไปเกิดตรงนั้นบ้างไปเกิดตรงนี้บ้าง จิตของเราก็เช่นเดียวกันกรรมคือการกระทำของจิตนี่แหละเป็นเหตุพาให้จิตไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่ากรรมเป็นเนื้อนากรร ม, มังเขตตังวิญญาณพีชังวิญญาณเป็นเหมือนพืชตัณห์สีห้อ ตันหาเป็นยอดอ่อนของพืชตันหาเป็นยางเหนียวของพืชเราดูอุปมานี้ในหัวใจของเราเราจะรู้ว่าโอ้กำรรของเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับดินถ้าเราจะเทียบว่าจิตของเราแต่ละดวงแต่ละดว ง, แ ต, ดวงแต่ละคนแต่ละคนเหมือนต้นไม้เหมือนต้นพืชจิตดวงนี้จะไปเกิดได้มันไปเกิดได้ตามอํานาจของกรำแล้วก็ไปเกิดได้ ตามอำนาจของตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตแต่ถ้าภายในจิตดวงนั้นหมดตัณหาแล้วจิตก็ไม่มีสิ่งใดมาประกอบอีกให้เป็นสังขารจิตเป็นหนึ่งเดียวจิตเป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับตัณหาไม่เกี่ยวกับสังขารไม่เกี่ยวกับกิเลสเหมือนจิตของครูบาอาจารย์ จิตของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกที่ท่านชำระตัณหาหมดไปจากจิตแล้วจิตดวงนั้นไม่มีตัณหาจิตด ว, ดวงนั้นไม่มีอวิชชาจิตดวงนั้นไม่มีตัณหาจิตที่ไม่มีตัณหาก็คือจิตที่หมดราคะหมดโทสะหมดโมหะเป็นจิตสว่างสวยโลเป็นหนึ่งเดียว ดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการเวลาดับขันอนุปาทิเสสนิพานชีพชีวิตดับด้วยกิเลสก็ดับด้วยนะเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานขันทั้งห้าก็ดับกิเลสภายในจิตก็ดับเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ดำรงตนอยู่ในภาวะอย่างนั้นตลอดอนันตการ คำว่านันตการคือไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างโลกมนุษย์นี่เราถือว่าสถานที่โลกมนุษย์เราถือว่าเป็นสถานที่สวรรค์ชั้นจาตุม้มชั้นดาวดึงชั้นยามาท่านถือว่าสถานที่สถานที่มันจํากัดที่ใดมีสถานที่จํากัดที่นั้นมันจะมีอายุจํากัดมาเกิดในโลกมนุษย์นี่อ่า สถานที่ในโลกมนุษย์ในจำกัดไปเกิดในชั้นจาตุมดาวดึงยามาสถานที่ที่นั่นแหละมันจำกัดเท่านั้นปีทิพย์เท่านั้นร้อยปีทิพย์เท่านั้นหมื่นปีทิพย์เท่านั้นล้านปีทิพย์เท่านั้นกลับแปดมื่นสี่พักับทิพย์เนี่ยสถานที่มันจำกัดอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเพราะหมดหมดก็ตกตกุ๊บ ลงไปตามปุญตามกรรมที่ยังตกค้างเหลืออยู่ทําให้เราวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยไม่จบท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารหรือจะเรียกว่าวัฏฏะวนวัฏฏะวนวัฏฏะวนสิ่งเหล่านี้เราจะตอกก่อนได้ยังไงเราจะทําให้สิ่งเหล่านี้เบาบางไปได้ไดยังไงเราจะทําให้เรารู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพุทธเจา้าธนูบัตมา ด้วยเหตุที่พระองค์สร้างบุญญาบารมีเต็มเปี่ยมบรรลุธรรมด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์เองอจะได้เอาธรรมะเหล่านี้มาสอนเวียนัยสัตว์ตั้งพระศาสนาถึงพรอง้อมด้วยภิกษุภิกษุณีุบาสุกบาสิกาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ปริปรนิพานไปพระสงฆ์สาวก็ก็สืบพระศาสนาสืบช่วงต่อมา ด, ดํ า, นา 4, ดเนินตามหลักตามหลักอริยสัจสี่ดำเนินตามหลัก อริยมรรคมีองค์แปดดำเนินตามหลักปฏิจจสมุปบาทสิบสองตามหลักที่ท่านสอนให้เราบำเพ็ญให้ครบองจรทานเอ่ยศีลเอ่ยภาวนาเอ่ยสมถภาวนาวิปัสนาภาวนานี่เลยเป็นข้อปฏิบัติในพระศาสนาย่นย่อ ม, มาอย่างนี้เอาสิ่งเหล่านี้มาประพฤติเอาสิ่งเหล่านี้มากำกับ เพื่อปฏิบัติให้เกิดการสงบระงับจากภพจากชาติที่ยาคายทารุณชั่วช้าลามกมาเป็นภพชาติที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นมีสินมีธรรมละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นการให้ทานก็เป็นเหตุให้เราได้ภพชาติละเอียดขึ้นประณีตขึ้นตั้งใจรักษาสินทําให้เราได้ภพชาติละเอียดขึ้นประณีตขึ้นการตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบ มันละเอียดหรือไม่ละเอียดเราดูไปที่เวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยจิตเรามันอยู่จิตเรามันนิ่งจิตเรามันสงบมันละเอียดไหมมันประณีตไหมมันไม่สับสนมันไม่วุ่นวายมันเบาสบายมันโปร่งเกิดความรู้เกิดความรู้สว่างโรอดเป็นหนึ่งเดียวเราทําจิตของเราให้ได้รับความสงบ สิ่งเหล่านี้เราต้องเอามาฝึกมาฝนมาอบมารมมาขัดมาเกล้าถ้าไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่ตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงมาอบมารมมันก็สิ่งวันนี้มันก็ไม่ไม่ถูกชะไม่ถูกล้างการตั้งใจฝึกฝนอบรมนั้นเป็นการมาขัดเกล้าอัธยาัยจริตนิสัยของตัวเองอันนี้เป็นต้นเหตุเป็นต้นทางเป็นต้นทางเป็นทางดําเนินเป็นข้อปฏิบัติ เป็นปฏิปทาที่เราควรเดินไปตามนี้พุตยอาจารย์สอนให้เราเดินไปตามนี้ครูบาอาจารย์ตั้งหลายสอนให้เราเดินไปตามนี้เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตหมดจดจากอะไรก็หมดจดจากกิเลสตัณหานั่นแหละหมดกิเลสก็คือหมดตัณหาหมดตัณหาก็คือหมดกิเลสเราพูดอย่างนี้เหมือนเราพูดลอยๆเราดูไปให้เห็นตัณหาในหัวใจของเราเรานั่งดูเดี๋ยวนี้ แล้วนั่งดูตัญหาคือกิริยาของมันคือความอยากความอยากในใจของเราเราดูเถอะถ้าหากใจของเรามันชอบอะไรแล้วเนี่ยมันจะดึงเราไปใส่สิ่งนั้นแหละอจะยืนก็นึกถึงสิ่งนั้นแหละจะเดินก็นึกถึงสิ่งนั้นอ่ะจะทํานู้นทํานี้ก็ตามก่านึกถึงสิ่งนั้นแหละนั่นแหละคือคือตัวความอยากแหละในตัวความอยากมันมีรสชาติของมันเราดูไปทีรสชาติของมันเราดูได้ บางทีมันเกิดรสชาติเกี่ยวกับรูปธรรมเนี่ยเราก็ดูไปที่บางทีมันเกิดรสชาติที่เาเรียกว่าสุขเวทนาภายในจิตของเรายินดีพอใจติดใจติดอกที่เขาเรียกว่าติดอกติดใจเราดูไปที่เราดูเยื่อใยของมันเราดูที่มันมีอำนาจพอไหมมันมีอานาจพอที่จะมัดเราให้ให้อยู่ในโลกเราติดค้างอยู่ในโลกมันมีอะไรเป็นเครื่องมัด ตันหาตัวนี้แหละมันเป็นเครื่องมัดมันเป็นอย่างติดจิตจิตใจของเรานะให้เหนียวติดเหนียวแน่นนึบอยู่กับโลกนี่แหละออกจากโลกไปไม่ได้ตกค้างอยู่ในโลกหมกอยู่ในโลกทุกอยู่ในโลกเกิดอยู่ในโลกอันนี้จังอยู่ในโลกทุกขังอยู่ในโลกอนัตตาอยู่ในโลกเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้น เราก็ไม่เห็นคุณเราก็ไม่เห็นโทษเราก็บปนเปสับปนกันอยู่อย่างนี้แหละดีบ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างปนเปกันอยู่นี่แหละเจอสิ่งที่ดีบ้างเจอสิ่งที่ทั่วชั่วบ้างกิริยาภายในจิตคิดหยาบคายทารุณบ้างคิดละเอียดประณีตบ้างคิดเห็นคุณบ้างคิดเห็นโทษบ้างด้วยเหตุที่จิตของเราเนี่ยเป็นวัดถุ ที่เป็นสองแง่สองง่ามอย่างนี้ผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนตามหลักตามข้อปฏิบัติที่ท่านวางเอาไว้เป็นอีกแง่หนึ่งเป็นอีกง่ามหนึ่งทําให้เราเอาไปฝึกตามแบบแง่นั้นง่ามนั้นแล้วก็สามารถทําให้เราเจริญไปอีกแง่หนึ่งได้แต่ถ้าเราไม่ไม่ฝึกไม่ฝืนไปแง่ไปง่ามนั้นกิเลสมันก็ฝึก มันก็ฝึกปรือตามเรื่องของมันเพราะหน้าที่ของมันธรรมชาติของมันมันทําให้เราเกิดมาในโลกแล้วทําให้เราเอ่อมันเสี้ยมสอนโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่ในโลกเราไม่ต้องตั้งใจฝึกฝนอบรมมันพร้อมที่จะสอนเราโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วกิเลสสอนจิตของเราสอนสอนแบบตามหลักธรรมชาติเลยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็สอนอยู่นั่นตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็สอนมันละเอียดขนาดไหนเราก็ดูไป เราจะรู้ได้ตัวเมื่อเราภาวนาใหกจิตของเราได้รับความสงบสงบจนเห็นตัณหามันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในหัวใจของเรามันเกิดมาก็ให้ทันมันตัณหาโผล่ขึ้นมาปั๊บก็ทันนที่แรกไม่ค่อยจะทันดอกอที่แรกไม่ค่อยไม่ค่อยจะทันถ้าไม่ไม่ตั้งใจฝึกฝนจริงๆจะไม่ทันจะไม่ทันเพราะมันเหนียวแน่นมั่นคงมาก มันเป็นเจ้ามันเป็นจอมของวัตจักรอย่างแท้จริงมันมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอำนาจมากมันมีอานุภาพมากมีมากขนาดไหนมีมากขนาดมัดเราอยู่ในโลกได้ไหมไม่อยากไปจากโลกอยากติดค้างอยู่ในโลกอโลกนี้อริสอร่อยเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินมีความเพลินใจเหลือเกินนะาอริสเราตายช่างมันตายยังขอช่างมันติดค้างอยู่ในโลก มันเยื่อใยถึงขนาดนั้นะถ้ามันไม่มีอํานาจถึงขนาดนั้นมันไม่สามารถจะทําทให้สัตว์หมกอยู่ในโลกได้ตกค้างอยู่ในโลกได้พวกเราก็พ้นทุกข์พ้นโทษกันไปหมดแล้วแหละหมกอยู่ในโลกตกค้างอยู่ในโลกก็คือหมกอยู่ในกองทุกข์ตกค้างอยู่ในกองทุกข์ตกค้างอยู่ในหลุมที่ทารุณที่สุดเจ็บแสบปวดร้อนที่สุด มันไม่ต่างอะไรกับหลุมฐานเพลิงมันไม่ต่างอะไรอะไรกับหลุมคูดมันไม่ต่างอะไรกับหลุมน้ากรดอ่าไม่ต่างอะไรกับหลุมที่เต็มไปด้วยขวากน้ำอันตรายที่ทารุณที่สุดเราตกอยู่ในหลุมนี้ก็เหมือนกับเราตกอยู่ในหลุมที่เต็มไปด้วยขวากเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยหลุมเป็นหลุมที่เต็มไปด้วยน้ำกรด โอตกลงไปละลายเย้วยิ้วย้วเยิตกลงไปเหมือนกับกองไฟเผาเผาเผาเท่าไหร่เผาเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเพราะเวรภัยบาปกรรมมันทําให้เราต้องได้รับความได้รับประสบพบเห็นอย่างนั้นในหัวใจของคนเราสิ่งเหล่านี้เราตั้งใจมาภาวนามาฝึกฝนอบรมเราจะรู้เราจะเห็น เราพอจะรู้สึกเนื้อสึกตัวเราพอจะรู้ตื่นเนื้อตื่นตัวเดี๋ยวนี้เราหลงเพลินไปกับอํานาจของมันรารู้สึกตัวไหมเราไม่รู้สึกตัวถ้ า, าเราไม่ตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตรงนี้ไม่รู้สึกตัวแน่ๆเลยแหละไม่รู้สึกตัวแน่นอนอยูเพลินไปวันๆไปงั้นแหละฮะอะไรติด อ, อกติดใจที่สุดก็วิ่งตามมันนั่นแหละเป็นก็ช่างมันตายก็ช่างมันคอยได้วิ่งตามมัน มันมีฤทธิ์มากมันมีอํานาจมากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ให้ให้รักษาศีลเพราะการรักษาศีลมันเป็นการสํารวมกายสําบวงวาจาการตั้งใจรักษาศีลเอาแค่ศีลห้าเนี่ยเนี่มันก็ทําให้เราสํารวมกายสํารวมวาจากิเลสกิริยาที่จะพึงแสดงออกทางกายเพื่อไปผิดกิเลสนะในเมื่อเรารักษาศีลตามองนั้นนั้นแล้ว กายวายใจใจของเราก็ไม่ผิดศีลเมื่อไม่ผิดศีลมันก็กิเลตก็คือกิเลมันลากเราไปไม่ได้ศีลข้อนี้ศีลข้อน er un ี้มันระงับกิเลสอย่างนั้นศีลข้อนี้มันระงับกิเลสองั้นศีลข้อนี้มันระงับกิเลสอย่างนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เอามากำกับสิ่งที่เป็นภายนอกภายนอกก็คือกายกับวาจากายนี้เป็นภายนอกวาจานี้เป็นภายนอก ท่านจึงให้รักษากํากับด้วยศีลศีลจึงมีความสําคัญศีลจึงมีความจําเป็นใครตั้งใจรักษาศีลคนนั้นมีบุญมีอานิสงส์มีบุญมีกุศลการตั้งใจรักษาศีลมีอานิสงส์อานิสงส์ของศีลนี้ทําให้กายงามทําให้กายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนการตั้งใจรักษาศีลเพราะเรารักษาด้วยการระวังกายกายเลยงาม ระวังระมัดระวังรักษาคําพูดคือวาจาวาจาก็เลยงามมันงามเพราะสินมันงามเพราะสินเพราะเรามีสติรักษาเรามีสัมปชัญญะรักษาไม่ให้กิเลสมันก้าวล่วงทางกายก้าวล่วงทางวาจาจากนั้นแล้วกิเลสมันก็ดิ้นอยู่ภายในใจเมื่อกิเลดิ้นอยู่ภายในใจท่านจึงให้ภาวนากํากับไปที่ใจไม่ให้ใจมันนึก เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องตัณหาเรื่องราคะเรื่องอิจฉาริศยาปยาบาดสารพัดไม่ให้มันนึกมันคิดให้มันคิดอยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธในระหว่างที่เราพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะ่ะตัณหามันคอยแทรกออกมาเราคอยดูมันสักหนึ่งมันโผล่มันโผล่มาละโผล่ละปั๊ดออกมาละแสงหน้าเราและเราหลงเคลิ้มไปกับมันน่ะตามมาละตามหลังมันต้อยต้อยต้อยโอ้ โอ้พุโทโธกูหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะน่มันเอาไปแล้วไม่ทันมันคือความรู้เราไม่ทันมันเราไม่ทันมันก็เพราะว่าเราความรู้เราน้อยกว่ามันที่เราเราไม่รู้เท่าไ ม, ไม่รู้ทันตัณหาโผล่เข้ามาที่เราภาวนาและจิตไม่อยู่ก็เพราะกิเลสมันมาดึงไปตัณหามันมาดึงไปเราดูตัณหาเราดูที่ไหนเราดูที่ความอยากของใจ ปัญหาแปลว่าความอยากจิตของเรานี่มันดิ้นรนมันทะเยอทยานมันหยุดนิ่งไม่ได้ท่านจึงเทียบเหมือนกับเหมือนกับวานนอนลิงจิตของเราเลยถ้าจะเทียบเหมือนกับลิงลิงมันนิสัยมันอยู่ไม่เป็นผาสุขโดดนุ่นโดดนี้โดดขึ้นโดดลงโดดเกาะโดดเนี่ ย, ยยิ้ช้ายิ้กว้าดึงหน้าดึงหลังอยู่นั่นแหละลิงอยู่ไม่เป็นสุขยิงลิงอยู่ไม่เป็นผาสุขจิตของเราที่ ที่มีตันหาตันหาภายในจิตตันหาแปลว่าความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตเหมือนกับพลังของลิงอ่ะเหมือนกับนิสัยของลิงอ่ะชอบไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยชอบดิ้นดิ้นนุดิ้นดิ้นดิ้นสอบดิ้นสอบไปตามความอยากพอไปเจอสิ่งดีมาพอไปเจอสิ่งดีก็เสร็จเหมือนกับเจออาหารเจดีแหละบริโภค มาหักมากินมาฉีกมาปอกมากัดมาอะไรอยู่นั่นแหละแล้วดูเลยลิงอะ่ะเขาพอไปเจอสิ่งที่ดีเป็นผลไม้อะไรคนเก็บมามาปอกมาฉีกมากัดมาแทะมาอะไรอะไรแล้วแต่มันจะทานี่คือจิตมันดิ้นรนไปตามความทะเยอทะยานของอำนาจของตัณหาจิตนี้จะดิ้นรนจะอยู่ไม่เป็นผาสุขเพราะมันมีพลังคือตัณหาละดู เราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่พ้นที่ตัณหามันจะสอดแทรกสอดแทรกมาและคอยดึงจิตของเราเนี่ยไปไปไปสนองตามอำนาจความอยากของมันมันสนองสนองมันสนองมันเอาไปไหนะมันติดอารมณ์รูปไปพานึกพักคิดเรื่องรูรปรูปผู้หญิงรปูปผู้ชาย โรคอะไรที่มันชอบใจที่สุดมันก็ผ่านึกผ่าคิดรูปนั้นแนหะนึกคิดเรื่องโรคบางที่ก็เสียงเพราะๆมันก็นึกคิดเรื่องเสียงกลิน่นก็สัมผัสสัมพันธ์กันไปมาโดดไปรูปบ้างไปเสียงบ้างไปกลิ่นบ้างมากับเวทนาทางกายบ้างมากับเวทนาทางใจบ้างสุขเวทนาทางใจความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่ใจติดมักค้างอยู่กับสิ่งเหล่านี้บ้าง ร่างกายได้รับความปลอดโปรง่งเบาสบายมาอยู่กับความสุขของกายบ้างดิ้นรนไปดิ้นรนมาจิตไม่เป็นผาสุกนี่จะเรียกว่าจิตมันติดรูปติดเสียงติดกลิน่นติดรสจิตสัมผัสจิตเราต้องการให้เขาอยู่กับอารมณ์เดียวเขาก็อยู่ไม่ได้เขาดิ้นไปตามอํานาจของความอยากของตัณหาเนี่ยท่านจึงใช้เราท่านจึงสอนให้เราใช้สติใช้สัมผชัญญะดํารงจิตให้นี่ แน่น้นํามั่นคงมีสติระลึกได้เพราะมีสัมปชัญญะรู้ตัวพร้อมและให้จงใจมีเจตนามีความจงใจดำริดำริสิ่งที่เป็นอารมณ์ทรรมขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธความรู้ก็อยู่ในพุทโธนี่แหละสติกํากับพุทโธสัมปชัญญะกำกับพุทโธความรู้อยู่กับพุทโธ ไม่ให้มันเป็นนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างอื่นไปอันนี้เป็นวิธีการจับจิตให้มาอยู่กับพุทโธพอเรามันหลุดไปเราก็จับมามันหลุดไปเราก็จับมาหลุดไปเราก็จับมาหลุดไปเราก็จับมาลุดก็จับมาจนสติเราแน่นหนามัน่นคงพอเราป้อนไปเรื่อยอเราจับมาเรื่อยเราพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อย มันก็จะเริ่มอิ่มมันอิ่มมันอิ่มนะลองว่าไปเรื่อยๆมันจะอิ่มนอกจากอิ่มแล้วมันขี้เกียจไปบางทีได้รับความสุขได้รับความสุขจากปีติเช่นอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกเอรู้สึกแผ่วเบาสบายทั้งอ่อนทั้งนิ่มทั้งเบาทั้งสบายทั้งโลง่งในอกของเราเนี่ยพุทโธดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก จิตก็มันติดมันติดอยู่นนี้แหละมันเขาเรียกว่ามันอยู่มันมันไม่ดิ้นรนไปแล้วแหละถึงเราไม่ว่าพุทโธมก็อยู่มันอิ่มมันอิ่มมันเออไหมจิตสงบจิตสงบจิตไม่ดิ้นรนกําลังของตัณหาที่มันเคยอยากไปนู้นอยากไปนี่มันก็เบาลงเบาลงเพราะมันมีอาหารดูดดื่มอยู่ข้างในนี้คืออารมณ์ที่เป็นธรรมที่จะเรียกว่าปีติคือความสงบทําให้จิตดูดื่มอิ่ม ถึงเราไม่ไม่ว่าพุโทโธมันก็ไม่ไปเมื่ อ, อก่อนนั้นเราเอาพุโทโธมัดเอาไว้ไม่มันไปตอนหลังมามันเริ่มอิมอ่มอิมอ่มออมเราไม่ต้องว่าพุโทโธมันก็ไม่ไปเราปลอยมันก็ร่อยู่นี่แหละปอยมันก็ร่อยู่นี่นี่เราฝึกเราฝึกมันถึงจะเป็นเราฝึกฝึกมันถึงจะได้ <S <S ในเมื่อจิตเราไม่นึกเป็นตามเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรูปเรื่องสัมผัสแล้วจิตของเราก็ห่างจากอารมณ์ของกาม อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของกามในเมื่อเราห่างได้จิตเราไม่ไปคลุกคลีอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถเอาจิตของเราออกจากกามได้เป็นการเป็นคราวในระหว่างที่จิตของเราสงบนี่แหละที่เรียกว่าเอาจิตออกจากกามได้เมื่อจิตมีความสงบแล้วท่านจึงให้เอาจิตพิจารณาให้เกิดปัญญาต่อเติมเพิ่มเติมจิตโลอยู่กับที่แล้ว ยายมส่องดูเมื่อจิตโรออูอยู่ก็ที่ก็ถือว่าจิตสว่างเหมือนเรามีความสว่างมีคบเพลิงอยู่ในมือของเราแล้วก็ส่องดูนู่นส่องดนูนี้เพราะอะไรถ้าเราไม่ส่องดูสิ่งที่มันมืดมืดทึบทึบซึ่งเรามองไม่เห็นกนะิเลสตัณหาอาสวะพิษทั้งหลายก็มันก็มากบดานอยู่นั่นะกดดานอยู่ตรงที่มืดทึบตรงนั้นมืดทึบตรงนี้น อ, อวิชชาตัณหาภายในจิตของเราเช่นเดียวกัน มันทําให้จิตมืดทึบอยู่ดอนั้นอยู่ดอนี้อยู่มุมนั่นอยู่มุมนี้แล้วก็สง่งเช่นอย่างเรากําหนัดยินดีรักไข่พอใจในรูปเราท่านก็ไอส่องมาที่ที่รูปเราอะไรคือเราอะไรคือของของของเรารูปของเราคืออะไรเกิดขึ้นมาที่ไหนตอนไหนเมื่ อ, อไร่ได้มาจากไหนสาเหตุเป็นไปของรูปนี้ได้มาจากไหนได้มาแล้วมาอยู่ยังไงแล้วก็ แล้วก็จะไปยังไงรู้ที่มาของมันรู้ที่ไปของมันอะไรคือเราอะไรคือของของเราท้องให้เพ็นพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เป็นการทำให้เราหมดสงสัยนะแต่ยังคิดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราอยู่คือยังคล้องอยู่ยังสงสัยอยู่เราเราไม่รู้เราจริงหรือเปล่าของของเราของเราจริงหรือเปล่า ดูมาให้ชัดเจนที่แท้จริงแล้วก็ไม่มีเราไม่มีของของเราดูมาที่ร่างกายร่างกายก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมาจากไหนได้มาจากพ่อจากแม่ดินน้ำลมไฟมาเกาะกลุ่มกันด้วยอำนาจของกรรมเจริญขึ้นพัฒนาถาวรมาตามสายบุญสายกรรมความเป็นมนุษย์ก็ได้อัตภามาอย่างนี้อยู่อย่างนี้ จเจริญงอกเงยงอกงามมาตามอายุไขเป็นเด็กเป็นทารกเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่าแก่ในสุดหมดอายุไขตายในระหว่างที่ยังไม่หมดอายุไขก็พร้อมที่จะเจ็บแล้วก็พร้อมที่จะตายในขณะนั้นความแก่ก็ตามมาด้วยเพราะมันมีอายุจํากัดร่างกายของเราเราเกิดมาเนี่ยถือว่ามีสิ่งจํากัดนั่นแหละเราเกิดมาด้วยอำนาจของตันหานและ ใครได้อัตภาพมาคนนั้นก็แสดงว่ามาพร้อมกับตัณหาแล้วแหละอเฮ้ยเราไม่ได้มาพร้อมตัณหาถ้าไม่มีตัณหาเราจะไม่ได้มาเกิดเราไม่ต้องมาเกิดพระเริยาเจ้าท่านไม่ได้ไปเกิดอีกท่านไม่ต้องมาเกิดท่านไม่ต้องไปเกิดท่านไม่มีมาท่านไม่มีไปเนื่องจากว่ามันหมดความอยากมันหมดพลังพาไปหมดพลังของตัณหาพาไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องไป ท่านไม่ต้องไปแล้วก็ท่านไม่ต้องมาท่านไม่ต้องมาก็คือท่านไม่ต้องเกิดท่านไม่ต้องไปก็คือไม่ต้องแก่แล้วก็ไม่ต้องตายเนี่ยท่านถือว่าเป็นจิตเที่ยงหลงตาท่านว่าจิตเที่ยงจิตที่ชำระให้หมดจดจากตัณหาแล้วเป็นจิตจิตเที่ยงดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีสังขารแม้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปยุ่ยแย่ให้จิตดวงนั้นต้องพลิก เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาพอพ้นภาวะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นพ้นภาวะความทุกข์เกิดแก่จบตายนั่นท่านเรียกว่าบรมสุขบรมสุขพวกเราต้องฝึกฝนอบรมเอาจิตไม่สงบก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมเอาจิตไม่อยากรักษาศีลไม่อยากประพฤติธรรมธรรมกิริยาธรรมจริยาธรรม กิริยาทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องทำเอากิริยาอ่อนน้อมโดยกายกิริยาอ่อนน้อมโดยวาจาจิตใจอ่อนโยนจิตใจเมตตาจิตใจกรุณาจิตใจมุติตาจิตใจออเปคขารู้กรรมของเรารู้กรรมของเขาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นทั้งทั้งธรรมเื่นเนื้อหาของธรรมที่จะพิ่งเกิดขึ้นภายในจิตของเราเป็นบุญเป็น กิริยาของกรรมเป็นกิริยาของกรรมเป็นกิริยาของธรรมเป็นธรรมจริยาธรรมจริยานี้แหละมีสัจธรรมอยู่ในนี้มีสัจธรรมกำกับอยู่ในธรรมจริยาเหล่านี้แหละแค่เรามีธรรมจริยาก็ทำให้เรางามเรามีขันติความอดความทนก็ทาใหเรางามเรามีโสรัจความสงบสงี่ยม สงบเสงี่ยมเจียมตัวสงบเสงี่ยมเจียมกายสงบเสงี่ยมเจียมวาจาสงบเสงี่ยมเจียมใจทำให้เป็นคนงามมันงามเพราะมันสงบเสงี่ยมนี่เป็นธรรมจริยาสิ่งวันนี้เป็นพื้นเป็นเพเป็นบาดเป็นฐานทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ด้วยการชุ่มเย็นอยู่ด้วยการไม่กระทบไม่กระทั่ง ตัวเราเองไม่กระทบกระทั่งสิ่งเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกร่นกายของเราเองทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขมีความชุ่มเย็นในหัวใจนี่ผลอ น, นิสงส์ของการฝึกฝนอบรมศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทำให้เราได้รับความสงบทำให้รับเราได้รับความสุขเพราะเราอยู่ตรงนี้เราอยู่บนเส้นทางเส้นทางนี้แหละเส้นทางที่เรากำลังดำเนินอยู่เส้นทางภิกษุ อ, อุบาสกอุบาสิกาู้ตังใจบำเพ็ญธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณมิตรเป็นสหธรรมมิตรเป็นเพื่อนเป็นหมู่เพื่อนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นหมู่เพื่อนที่ดีงามเป็นกัลยาณมิตรอยู่เป็นกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณธรรม ธรรมที่ทําให้เรามีความงามขันติโสรั จ, จะหริโอตปาเมตตากรุณามุตริตาเปีคาความอุตสาห์ความขยันความหมั่นความเพียรความมีระเบียบความมีความประพฤติความมีมารยาทที่ดีที่งามเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละ นี่แหละคือความเป็นสริริความเป็นมงคลแก่กายของเราแก่็วาจารของเราแก่จิตของเราโดยแท้เราอยู่ท่ามกลางเวทีท่ามกลางทางเดินตรงนี้เราก็อยู่ยาอยู่อย่างงงงเซ่อเซไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปขวาม่รู้จะก้มไม่รู้จะเงอยเ อ, อยู่อย่างเซ่อเอซ่อสะไม่รู้ทิศไม่รู้ทาง ในทางอกตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมอยู่อย่างเก้งเก้งก้างก้างนั่นครูบาอาจารย์ท่านว่าเก้งเก้งก้างก้าขวางขวางข้อประพฤติขวางข้อปฏิบัติให้เราตกลงปรงใจทั้งนี้แหละเป็นทางเดินท่านสอนบอกท่านบอกว่านี่แหละทางนี้แหละไปทางนี้ไปทางนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนไปทางนี้ทาง น, นี้ทางนี้พุริยจาท่านสอนไปทางนี้ทาง น, นี้เราดูมือท่านเราไปตามนั้นแหละไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องมาต่อกกรกับท่านหละอยไม่ต้องมาต่อกอนกับท่าน ม, ม า, ออน า, นาคนน อ, อกจากชี้แล้วไม่ไปแล้วยังมาอารวาสกับผู้ชี้ให้อีกอ่าเป็นอย่างนั้นเราดูที่กิเลนในหัวใจของใครมีมันก็ต้องต่อกอนกับผู้ชี้แน่ๆหลยแม้แต่ภาษาวกของพระพุทธเจ้ายังต่อกกรกับพระพุทธเจ้าก็ดูที่เทวทัตตอกอนกับพระพุทธเจ้าไหม พระพุทธเจ้าสอนชี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังไปอวดเก่งกับท่านอีกไหมอวดเก่งอวดเคร่งกับพระศาสดาเราฟังดูแล้วเนี่น่าละอายขนาดไหนนั่นคือสอนชี้ไปแล้วไม่ยอมไปตามมือที่ชี้ขวางหาเรื่องไม่ยอมไปหาเรื่องกับคนชี้นั่นในที่สุดก็ในที่สุดก็ตกกระป๋องไปเขาเรียกว่าตกล่องตกลู่ตกล่อง แทนที่จะไปตามรูที่ท่านชี้เอาไว้เนี่ยไม่ได้ไปไปไม่ได้นอกรูนอกล่องนอกคอกอนอกรูนอกหล อ, กองเหมือนลูกตาท่านว่าศีนเป็นเหมือนรั้วสองสองฟากสองข้างทางทําให้เราเดินไปตามเนี่ยมีมีศีนเป็นรั้วรอบขอบชิดเราไม่ต้องตกซ้ายเราไม่ต้องตกขวากลับผู้ที่ชี้ไปแล้วไม่ยอมไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตกหน้าตกหลังแทนที่จะไปข้างหน้าไม่ได้ไปแล้ว ตกล่องตกหลุมตกล่องไปไม่ถึงไหนแล้วหนังๆเข้าก็หันหลังให้เดินไปฉะ น, นั้นก็ยิ่งห่างไปฉะนั้นเดินออกไปฉะนั้นก็ยิ่งห่างไปฉะนั้ น, นจิตที่มันเดินออกห่างจากสัมมาทิฏฐิย um, ิ่งเดินไปเท่าไรเดินไปเท่าไหรเดินไปเท่าก็มันยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิมากเข้ขาก็เมื่อก็เข้าสู่ที่มืดมืดมื ด, ม ด, มดตึบ๊บจนมองไม่เห็นอะไรมิจฉาทิฏฐิเต็มดวงบาปไม่มีบุญไม่มี นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีพ่อไม่มีบุญคุณแม่ไม่มีบุญคุณหมูมมม่เพื่อนไม่มีบุญคุณคนในโลกนี้ใครทําบุญทําบุญคุณไม่มีพูดได้บุญไม่มีผูใ้ใดคุณโนนมิจฉาทิฏฐิเต็มดวงเราไปดูทิฏฐิหกสิบใอย่างที่ท่านพูดเอาไว้ในปฐมไตรปิฎกมันเป็นไปตามนี้หมดทั้งทั้งนั้นแหละมันเป็นไปตามพลังของจิตมันยุ่ยเย่าให้จิตตรงนั้นนึกได้คิดได้แต่ไม่รู้ว่าผิดชอบชั่วดีไม่รู้จัก ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดพวกเราเป็นผู้โชคดีมีบุญมีวาสนาได้ยินได้ฟังได้ฝึกฝนในอบรมขอเรายึดเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักมั่นประจําจิตใจของเราเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันเจ็ดค่าเป็นวันสิบสามค่าเป็นวันขึ้นสิบสามค่าพรุ่งนี้สิบสี่ค่ำบันโกนใช่ไหม วันที่สิวันที่19ก็เป็นวันปวารณาเป็นวันปวารณาออกพรศษานออกพรรษานี่ออกพรรษาออก็คือ90วัน3ามสาวันสเดือนไตรมาสสเดือนไตรมาสซึ่งเราอยู่จามพรรษาในที่นี้ตลอดสเดือนไตรมาสถ้าเราอยู่ด้วยการตั้งใจฝึกฝนอบรมขวนขวาย ประกอบคุณงามความดีเอาอดเอาทําเข้าสู่หัวใจหัวใจของเราก็จะสว่างขึ้นเยอ ะ, อะสติปัญญาของเราก็จะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นมากกี่ยน่ในหัวใจของเราเพอจะรู้หน้ารู้หลังรู้ลูกรูรร้หลานมันบ้างความสุขความเจริญความทุกข์ในหัวใจมีมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็พอจะมองเห็นบ้างามองษาความความก ความสากพยายามความขยันหมั่นเพียรเราเคยได้บุกได้ต่อสู้ได้มากน้อยขนาดไหนแค่ไหนเรารู้อยู่แก่ใจของเราเราคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเราก็ประเมินเอาแต่เราถึงยังไงก็ตาม น, นเมื่อเราฝึกสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานมาแล้วเรามีโอกาสที่จะตักตัวเราสูงให้ใจของเราได้ทุกระยะทุกเวลาอยู่ ในเพศใดอยู่ในภาวะใดจะอยู่อย่างนี้จะออกไปจะอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปหรือจะออกลาศีขาไปเป็นคราวาสเราเอาธรรมะเหล่านี้ไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมานุธรรมปฏิปัติธรรมะย่อมเจริญงาะเงยเจริญงอกงามแกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเป็นอากาลิโกทําที่ไรได้ทีนั้นทาที่ไรได้ผลตอนนั้นเหมื่อนนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยตรงกันข้ามไม่ทำไม่ได้เลยเนี่ยพวกเรารู้แก่ใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรำ่ำอยากรวยอยากเป็นสิริอยากเป็นมงคลขอให้เรารวยบุญตัวนี้ สิ่งอื่นปลอยเป็นสิริปลอยเป็นมงคลตามเราทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีไม่ต้องสงสัยแหละอ่าไปกลับไปตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบนะยืนก็พยายามฝึกอบรมตัวเองเดินก็พยายามอบรมตัวเองนั่งนอนพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองคนเราดีที่การฝึกอยู่เฉยเฉยไม่ดีอยู่เฉ ย, ยเฉยกิเลสฝึก แต่ถ้าเราอยู่ด้วยการฝากฝืนนันหละเป็นการเอาธรรมมาฝึกกิเลสมีโอกาสที่จะแพ้ธรรมธรรมมีโอกาสที่จะชนะกิเลสได้รู้เลยเจ้าต่อสู้กับภพบชาติมากับกันโุเรชาตินับไม่ถ้วนในสุดพร่องกับพ้นภพพ้นชาติผ่านพ้นไปได้ในสุดกิเลสยอมแพ้สิโรราบพร่องชนะไปได้หลุดลอยไปได้ ในทสุดไม่ว่าการไหนไหนกิเลสต้องแพ้ทำวันยังคำ่ำกิเลสต้องแพ้ทำวันยังค่าในระหว่างที่เรากําลังต่อกรอกันอยู่ตราบใดเราให้กิเลสเขากําลังมากกว่าเราก็ต้องแพ้กิเลสแต่ในขณะเดีวยวกันรับตั้งเนื้อตั้งตัวได้เราพยายาฝึกฝนอบรมอัดธถามขึ้นมาทำเพิ่มพูนทวีขูนขึ้นกิเลสก็แพ้ทำได้ แต่ถึงขั้นสุดท้ายจริงๆกิเลสยอมสิโรราบกับธรรมเราดูเบื้องปลายตรงนี้เป็นที่สุดพบชาติของทุกคนเป็นที่สุดต้องถึงที่สุดด้วยการหมดกิเลสไปจากหัวใจเบื้องต้นของพบชาติของเราเราไม่ปรากฏไม่ทราบว่าเกิดตั้งแต่ตอนไหนที่ไรเมื่อไรแต่พบชาติของเราถึงที่สุดได้นู่นแหละอราชตตมัก หมดพบหมดชาติเลยเก้าสูตรอรหัตผลก็พ้นละผ้นทุกพ้นโทษผลนเกิดผ้นแก่พ้นเจ็บเจ็บพ้นตายพ้นพบพ้นชาติไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วผ้นทุกโดยเต็มที่ถึงบรมสุขอย่างเต็มที่นั่นแหละเป็นสุดยอดปรารถนาอุดมคติของพวกเราอาวันนี้เอาแค่นี้ไปทําต่อนะ อืม mm.